วันนี้ก็เป็นวันที่สองเขเดินเสียงหาคมสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดให้ลำคาญนิดหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้าจะเอาพระสูตรเข้ามาแทรกคงจะไม่มีเวลาทั้งนี้ก็เพราะว่ามาตอนกลางวันมีญาติโยมพทะบริษัต์ถามเรื่องกรรมฐ า, านก็วันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถาภาวนา คือการเจริญกรรมฐ า, านก็นหการทำสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำนิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจาระสมาธิคือสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนาวาสมาธิสมาธิขั้นชาญขึ้นไปแต่ขั้นชา น, นี่ก็มีชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่ ส, สี่เป็นรูปฌาน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 <c oughs> แต่ก็นำมารวมสอนเพื่อให้เกิดด้านกุศลนั่นเองแต่ความจริงสมาธิทุกคนมีอยู่แล้วเพราะคำสมาธิประการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทำงานตั้งใจพูดตั้งใจทำอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธนนินั้นไม่อยู่ในด้านของกุศลถ้าเป็นในด้านของอกุศลเขาเรียกมิจฉาสมาธิ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 คำว่านาปานุสติก็คือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกัมมรนดาญาโยมพระตัวบริสัททุกคนยังรู้ลมหายใจเข้าอย่ารู้ลมหายใจออก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 อารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากรูปให้ใจเขาออกเผลอไปเมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปควนึกขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานา น, นักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่มัานิการสมาธินี่ถว่ากันถึงอานิสงส์ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททําสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้ คือลม ร, รู้ลมให้ใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำพาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทาจนชินแต่ก็สรงไม่ได้นานอย่าถ้าจะถามว่าจะมีได้ทรงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนปริชาติไปไหนวะที่นี่น่าคุยไปวัดธาตุทองถามว่าตายแล้วไปไหนแต่บออารมณ์ของคณิกสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้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 แต่ว่าทางเขาฝึกใหม่ๆในตอนรอแรกเขาใช้คําว่าพุทธโธคําว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมาฐานต่ําเป็นกรรมาฐานที่สูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธานุสิกรรมาฐาน <c oughs> ถ้ากําลังใจเขาบดาญาติโยามพุทธบริษัททรงกําลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธระดยใจออกนึ ก, กว่าโธ แต่ว่าเวลาให้ใจเข้าออกนี่ต้องแบบต้องทำแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมให้ใจแต่บางทีลมให้ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูกเรื่องลมให้ใจนี่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพลอยใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายมาหายใจเบาหรือหนักก็าตามปล่อยแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบ ถ้าท่านจำนาแนา น, านาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุทธโอด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตายกําลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เป็นแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทาบาปประมากแสนมากเว้นไว้แต่อันนันติกรรม <c oughs> คําว่าอันนันติกรรมนี้เป็นบาปหนักเช่นทําพุทธเจ้าให้หอบบริตทําสงให้แตกกัน ฆาพระหัน์ข้าพ่อข่าแม่ทําสังฆเพศคือทำสงครามแตกกันนี้ต้นถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ <c oughs> ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างใหม่ภาวนาบ้างแต่มีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลาหรือว่าภาวนา ว, ว่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรก แต่ก็คุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงด้วยกันตัวอย่างที่ น, น, นี่เป็นอาวะพวกเราญาติโยมพุะทุกสัตว์นี่ถ้าภาวนาว่าพุทโธก็ดีถ้าเห็นพระพุทธรูปก็าตามทุกคนมีความเคารพสํา <c oughs> หรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนแล้วก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบาย เพราะว่าป่วยหนักใครใครก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอรักษาทรัพย์สินมีก็เป็นลูกมาหาเศรษฐีทรัพย์สินที่มีพ่อแม่ก็ใช้ได้ทรัพย์ไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพื่อเกรงว่าจะแพง <c oughs> ไม่กล้าหาหมอเกรงจะเิ่งเงินมากก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กู น, นี้เขาไม่ได้นับถือพทธศาสนา ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านนาบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกมือไหว้แต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามากเขาก็นึกว่าคนเข้าลือกันว่าพระสัมมโคดมน่ะใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนะักขอให้พระสัมมาสัมพุมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจ้า แต่มันไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอือนงตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสรรการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ไม่แต่บุญน้อยนิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์เช่นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคํำไม่ได้อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคําว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคําล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวามัตตกุลีเทพบระบุ เออมันพูดมาถึงตอนนี้ก็ขอพูดต่ออีกหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังมามากไปนะลืมยังก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปก็นักอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ทีเวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหาร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 เธอคนนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคำอยู่หนึ่งคัน <c oughs> สวยงามมากยังหาล้อไม่ได้อยากจะได้ล้อถ้ามหาเศรษฐีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายๆลูกของเราถ้าเราได้ไว้เป็นลูกบนธรรมจะทำให้เราจะสบายใจมากยิ่งถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคำหรือล้อแก้วมันนีจะหาให้ แม้แต่คุณบันลีเทพบุตก็บอกนึกในใจว่าพ่อของเราเมื่อเร า, เราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อกลัวเสียเงินนี่เราแปลงกายคล้ายๆ ล, ลูกคนเก่ากับเสดสิษฐแม้แต่ล้อทองคําและล้อแก้วบันลีเออยิงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อข้าขัละล้อฮีแต่พราหมณ์ฟังแล้วก็ตกก็โกรธ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 จบจบยังยังไม่จบเขาเล่า ล, ลัดเวลามีน้อยเพราจะไม่มีประสูตบนะมาเข้าจนได้นะก็เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประกาศตัวว่าตัวเองนะคือมาตยกรุณาลีที่บด ท, ที่มลูกชายเวลานี้ไปเกิดปีติวดาบนสวรรค์เช้นเดีวดึงสถิติวโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้พระบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยพระสมัมมณัโคดมเมื่ถึงพระพยยุทธเจ้าพระสัมมณัโคดมก่อเจตตาย พ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศทำไมยังมีบุญเธอก็ยืนยันบอแค่นึกถึงว่าต้องการรักษาโรค ก, ก็เป็นเทวดาได้จึงแนะนำพ่อบอกว่านับตนหบัินี้ต้นปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจา้าคือพระสพณะโคดมกับภาษาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาตร <c oughs>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 พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ตถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวตายและไปเกิดบนสวรรค์ไม่ชนะร้อนน้ำพันน้ำหมื่นนับเป็นกโกรธท่านก็ บ, บอกว่าเมืตอนเช้านี่พราหมณ์ไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเด็จประจอมไตรปริฎกได้ก็ทรงนึกถึงมัแต่กุนลีเที่บวช ว่าคอยมัตตกรลีเทพบุตรจงมาพร้อมวิมานเขาเรียกนะไม่ใช่ในกะรีเราเฉยๆเรียกให้ค น, นได้ยิน<ม>ว่าเวลานี้มัตตกรลีเทพบุตรอยู่ท่านดาวาดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยวิมานมก็ปรากฏว่าเวลานั้นมัตตกรลีเทพบุตรวิมานเขามัตตกรลีเทพบุตรก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระโษตษผลมัตตกรลีเทพบุตรก็ลงจากวิมานมาไหวพระเจ้า เมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากฏวัตรคุณลีเทียบรเป็นมระโสดาบันพ <c oughs> ราหมพ่อก็เป็นมัสโซดาบันคนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาปาดันไป็นมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพทธบริษัตเจริญกรรมฐานขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อย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 ซึ่งเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามและว่าการชินกับการภาวนาก็ตามนึกถึงคำพูดพุทโธแล้วหลุใหายใจเขาออกด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าทำอย่างนี้เวลาตายเวลาข่านั้นเขาญาติโยมพริทุกข์ัทวจะไม่ไปนรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลของกติกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs>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 ภานาไปจะดีใจในก็ตามขนาดที่เจริญทั้ ง, งกรรมฐานทั้งกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ําตาก็ไหลแต่บางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้ําตาก็ไหลที่บางวันนี้มีคําถามถามว่าร้องพรรัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้าตาไหลเพราะการเขาปีติ อาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกม า, โย ก, าโยกขนาดโยกขลังจะจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะแล้อาการที่สี่ปีติที่สี่มีอาการเต้นเหมือนปลุกพระและ้บางทีตัวลอยหัวอากาศอา <c oughs> การที่ห้ามีจิตทรุดซ่านมนุษย์สุดสศร้าซ่ากายเบาอันดับแรกจะซื้อสุวรรหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ต่อไปก็เหมือนลม ร, ริ้วๆไหลออกจากกายในที่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกมีหัวเจ้าหัวมันใหญ่ใจสบายที่สุดอันนี้แปอาการก็ปีติที่ห้ากรวงความอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาไหลสมร่างกายโยกโคลง 4. ีตัวลอยอากาศและเต้นปรับปบปรับก็ตามหมีอาการทราบชานทั้งหมดนี้ทั้งเกิดขึ้น คล้อยปล่อยไปเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานไม่เกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปจตจิตสงบมีอาการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนี้สงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องต้นเข้าถึงฌาน ตอนทีจิตยังเข้าถึงฌานในไม่เข้าถึงฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าบรรฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเริ่มสบายมีรมเป็นสุขตาหูของคนทุกคนในบรรดาญาโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุ น, นักเขาเสียงอะไรทั้งหมดดีหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รําคาญในเสียง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 ตอนนี้จวมาคำนึงหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคาญแต่พ่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนี่ยชานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอากคตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึก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 อย่างนี้แปลงการเขาฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองนีนเหลือองค์สา ม, สามเหลือปีติสุเอกราตาวิตกวิจารณ์หายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารณ์คือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสืไม่ค่อเข้าใจอาจจะมาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศด้วยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่าบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองคืออารมณ์ละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคาว่าตัดนี่ตกสายวิจัยอย่างไรว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนารู้ว่าภาวนาถุกลพิอตุนี้หายไปเลยรวงความว่าตอนชานที่สองขึ้นไปนี่คำภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิตถ้ายังอยู่แค่ในบริเวณของชาตที่หนึ่งแล้วต่ำลงมาณนี่ภาวนา พอเริ่มถึงชาดีสองปับ๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีรมสูงกว่าอิ่ม อ, มอมเออบกว่ามีความแนบสนิทกว่าดีกว่าชาดที่หนึ่งมากถ้าถึงชานทีสองใหม่ๆพอสักว่าเดียวหนึ่งชาดี่ทันสองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาทีหนึ่งคนนี้ตกใจนึกเอ้ยกูหลับไปทั้ไงหว่าได้ลืมบาทว่ายุ่งหมด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 แต่กําลังใจทางหูยินเสียงน้อยลงเบาลงติดเครียดตึงเป่งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลงการขาั้นชั้นที่สามอการขาั 4, น้นชั้นที่สี่ขั้นทีสีก็ตัดสุกทิ้งไปอเอเคตาไอเดกตาเอเคตาคืออารมณ์บันหนึ่งอารมณ์อันเดียว <c oughs> เพิ่มบเบคขาเข้ามาอาการกั้นชั้นทสีที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงอาจารย์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขั้นนะ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 จะได้ยินเสียงขยายเสียงแวแวๆนี่เป็นชานิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชานิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดนั้นก็ตามจะไม่ได้ยินเลยและก็ไม่รู้ลงให้ใจก็ออกมีเนก็เราไม่ให้ใจก็ออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามว่าอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยยิ่งรับแม้ว่นสมัยชันฝึกใหม่ห ม, มีพระเพื่อนอ ง, องค์ไปปฏิบัติในโบสถ์ พอถึงขั้นนี้ท่านก็วิ่งพื้นยันก็ติมพระปานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายมันไม่ให้ใจแล้วครับตอนชาลพระปานออกมาเวลาใช้ข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเชื่อไดมันกลัวดีไอคนกลัวดีดหายากนี่ขอญาติญาติโยมบริษัทเข้าใจอาการของชาญของสมาธิไว้วันนี้พูดแค่สมาธิก็พอนะเ ห, หลือเวลาสามนาทีข อ, อย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกะสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทำได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้หลวงแม่ใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาว่าพุทโธนีดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปที่เรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวจิตเคลื่อนไปก็เริ่มต้นมันใหม่อย่างนี้มีในสง์เป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านดาวดึงได้ยังมัได้คนตรีเทพบุตรนะแต่ในนะการในสอนถ้าเข้าถึงอุปจาระรัสมาธิที่มีจิตอิ่มเอิบผ่านปีติปีติถ้าไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะ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 สำหรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสร่างกายโยโกโครงตีเต้นเหมือนปลุกพระและือต่อโดยลอยบรรยากาศห้ามีอาการทราบสาัานถ้าอาการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระบรรดาญาโยามพรทุกริษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการ ปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนระพองสยองกร้าวไงก็ช่างมันน้ำตาจะไหลก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจเป็นสุ ข, ขแล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปการสังเกตอารมณ์ของฌานถ้าฌานที่หนึ่งหูจะไม่รําคาญในเสียงถ้าฌานในสองจิตใจจะมีการชุ่มชื่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนา ตั้งแต่ชาทีสองไปคมรนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชาณีสามความชุ่มชื่นเออบิ่มจะหายไปมีการเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป่งหรือเรียกว่าดิ่งแล้วก็ไม่สับราชชาได้ใช่ได้สัตว์ถ้าหูจะดินเสียงที่ดังๆ ด, ด, ดินเสียงน้อยลงมีการไม่เคลื่อนไหวจิตทรงตัวมากถ้าเปลอาการเขาชาณีสี่ จะไม่รู้สึกว่าเราให้ใจความจริงลงให้ใจมีตางโบติแต่ภาณาิตกับจิตแยกกันเด็ดขาดการเคลื่อนไหวการหอกก็ดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงชาณทสี่ถ้าจิตไม่ถึงชาณีสี่แล้วก็จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้วย่าโยมตอนนี้ไปขบวนดาญาโยมพุทธวิสัตหลายต่างใจสมาทานศีล ส, ส ม, าา ม, มาทานเ็รรมฐาน